เพื่อนแม่ประสบายสิแล้วผู้ดูแลมองดูสายตามันมองดูนี่มันทิ่มทิมทิมหูฟังทิ่มทิ่มทิมตลอดเวลานี่ยียว่าไงทราบหรือยังเน่ะเจ้าของก็ไม่ทราบสินี่มันอกจะแตกแล้วนี่นั่งสนุกเพลินอยู่เนจ้าของอ่ะผู้ดูผู้ฟังนี่มันอกจะแตกนะเอาเรียนหลักวิชาของพระพุทธเจ้าเอาเรียนสิ คำพูดนี้จะผิดไปไหมเรียนให้มันรู้อย่าเอาวิชาทางโลกมาเข้ามาเหยียบย่ําทําลายธรรมของพระพุทธเจ้าเรียนสารและโลกธาตุเรียนมาเถอะที่จะมาแก้กิเลสไม่มีทางเพราะเป็นกรอนของกิเลสแต่งให้ทั้งนั้นใครจะอวดดีขนาดไหนก็อวดเถอะให้เรียนวิชาทางธรรมก่อนมันจะได้รู้เรื่องสิ่งไม่รู้รู้ขึ้นมาสิไม่เห็นเห็นขึ้นมา กินให้กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบเลยเนีย่กราบเพเห็นนี่เองนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นพระย่าสอนไม่ผิดที่ตรงไหนวดดีวดดีอะไรโอเคเลนมาเหยียบย่ําทํำลายบั่าวาสศาสนาตนของตนและหมูคณะวง์ศาสนาแหลกไปหมดโดยที่เจ้าของกันยังภูมิใจว่าได้มาเคุยปฏิบัติธรรมยิ่งมามาอยู่วัดป่าบังการนี่เก่งคัดดบดีเป็นชื่อเป็นเสียงให้เสริมกิเลสเข้าไปอีก มันเยียบย่าเจ้าของเขาปอีกนอกจากนั้นก็เป็นเครื่องต้มตุ๋นแหลกไปหมดไม่รู้แล้วมีตั้งแต่เรื่องอันเดียวนั่นอะธรรมอาธรรมนั่นทีนท่มันก็ทํางานอยู่ตลอดเวลานะทางออมเพียนก็แยบแ ย, บ, ยบนิดนึงตอนนั้ น, น่ะเดี๋ยวมันปัดออกแล้วแล้วเอาหมัดก็แทนเน้ะใส่ก็ที่ขนาดถนัดนั่ไม่รู้ การจึงจให้ดีคำพูดเหล่านี้เลี้ยงนี่เป็นยังไงหลักของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของปัญญานั้นแ่ะอย่าลืมที่เคยพูดให้ฟังแล้วนี่แหละหลักที่จะเปิดเรื่องความโง่ขงเจ้าของที่บวดว่าตนฉลาดยิงนนตนว่าฉลาดฉลาดให้เห็นขึ้นมาชัดเจนด้วยสุตตามายะปัญญาฟังเพื่อจะแก้กิเลสให้เกิดปัญญาเพื่อแก้กิเลสจินตามยะปัญญา คิดเพื่อจะเปิดตัวเป็นเสี้ยนเป็นหนามตัวยักษ์ตัวผีอยู่ภายในที่พาให้หญิงอยู่ตลอดเวลาอยู่ภายในหัวใจนั้นออกภาวนสามภาวนามายปัญญานี่เป็นหลักใหญ่มากทีเดียวนี่แหละพระพุทธเจ้าดัตตสรูดเป็นหลักใหญ่คือรวมลงนี้หมดภาวนามายปัญญานี่แหละเปิดโลกธาตุยโลกวิถูเปิดอันนี้เปิดขึ้นใน พระไทยของพระองค์เองไม่ต้องศึกษามาจากไหนเมื่อถึงวาระธรรมที่มีช่องที่เกิดขึ้นแล้วเกิดตลอดเวลาเกิดทุกขณะจิต ท, ที่คิดขึ้นมาคิดขึ้นมาเป็นขึ้นมาเองขอให้แต่เรื่องความเรื่องน้ําที่มันทิ่มแทงมันหุ้มมันหอมันปิดอยู่อย่างมิจฉี่นี่มันเบิกตัวออกมาเถอะด้วยปัญญาอันใด ข, ขั้นใดก็ตามประเภทใดก็ตามในสามปัญญา เริ่มต้นตั้งแต่สุตมยปัญญาเข้าไปหาจินตามยปัญญาจนกระทั่งถึงเข้าถึงภาวนามยปัญญาที่เกิดขึ้นเองโดยหลักธรรมชาติเช่นเดียวกับกิเลสมันเกิดขึ้นในหัวใจของสัตว์โดยหลักธรรมชาติทั้งมันแล้วมันทำํำลายและมันทํางานของมันตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีใครบงังคับมันเป็นอัตโนมัติของมันนี่แหละปัญญานี่ก็เหมือนกันไม่อย่างนั้นไม่ทันกันแก้กันไม่ตกจะไม่ได้เห็นโทษของกิเลสว่าพาสัตว์เกิดเจเจ็บตายมาเท่าไหร่นอกจากจะตัวเกิดตัวตาย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 บาปไม่มีบุญไม่มีนี่แหละตัวกิเลตตัวจังๆนั่นแหะตัวมันบีบหัวสัตว์โลกกอมสัตว์โลกให้คิบหายวไปพวงนี้ไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จากศีลจากธรรมแล้วก็ปล่อยทางเปิดทางให้ออกทําความชั่วชาว้าละมกทุกสิ่งทุกอย่างเต็มกายเต็มมาจยาเต็มใจเต็มกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ออกจากธรรมชาติที่มันมีอํานาจที่ปิดบงังทางที่จะเข้าสู่อาจูธรรมไม่ไว้หมดเปิดทางเดินเพื่อนนรกเอเวจีให้เจ้าของสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมา ตนกนรกไปตะจีอยู่ในอัตาภาพนี้ดโดยความทุมร้อนภายใน จ, จิตใจยังมาแล้วออกทางนี้มันจะไปไหนมันไม่ไปนรกนไปไหนืหอกิเลสมันไปวิเศษวิโสอะไรมันไปปฏิเสธอะไรวันนี้ล็กไปมไม่มิเลนั่นหรือเป็นตัวเจ้าตัวการใหญ่ที่เก่งกว่าศาสตราเอาเรียนเขาสิถ้าอยากจะรู้ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีใครเสวยหมาบใครเสวยกรงทุก่กอยู่ทุกวันนี้ทําไม่มีมันหลับตาพูดหรือผู้ฟังหลับตาฟังมก็ไม่รู้สิ ถ้าลืมตามันจะไม่ทําไมจะไม่รู้สารโลกได้ว่างจากความทุกข์ความทรมานภารกิจใจนี่ยังไงบาปไม่มีอะไรมาทรมานบาปแปลว่าอะไรความชัวชา้าละโมกนํามาสิ่งความทุกข์ทุกอยู่ที่ไหนความชัวชา้าละมกใครเป็นคนสร้างใครคนทาขึ้นมาถ้าไม่ใช่สัารโลกใช่สารโลกนี่จะเป็นใครไปแล้วใครเสวย อ, อยู่ทุกวันนี้มองเห็นหน้ากันเอาแต่จะเรื่องความทุกข์ความทรมานมาละมาต่อกันพอที่จะให้มีความเบาใจบ้างแล้วมันไม่เบา ต่างกนต่างเอาทุกมาทุ่มกันทุ่มกันทุ่มกันก็เหมือนกับเอาไฟกับเชือมาทุ่มกันเปลวมันจุดฟ้านแล้วมันมีประโยชน์อะไรแต่สิ่งเหนี้มีตรงแต่มันแทรกข้ามาแสงข้ามาหนุนเข้ามาให้พูดให้อัดอันดันใจจัดเป็นจะตายแล้วก็มาพูดออกมาแล้วก็เอาความสําคัญยัดเข้าไปอีกพอระบายแล้วว่าสบายบ้างมันสบายอะไรมันคนจะตายอยู่แล้วนั่นแหละมันสลับฟ้านขนาดนั้นเอาเรียนงอาวันนี้โกหกอะ เราวิชาธรรมของพระพุทธเจ้าใครจะเลิศยิ่งกว่านี้วะเอาเลยทีนี้มันเห็นเรื่องของกิเลสมันเป็นยังไงมันจะไม่เข็ดได้ยังไงสิ่งที่น่าเข็ดจริงๆเต็มหัวใจคือกิเลนนั่นเองจะเป็นอะไรไปเป็นเรื่องตายในโลกเข็ดเข็ดขอให้มันรู้ในะเงื่อนที่ควรจะเข็ดเถิดแต่นี้มันไม่รู้มไม่เห็นนั่นสิมันปิดบังไม่หมด ทุกยากลาบากขนาดไหนตกนรกอเมริกีมากี่กับกี่การกี่พบกี่ชาตินับมาได้ท่าอัตภาพเดียนนี้เท่านั้นมันยังถูกมันปฏิเสธลบล้างประวัว่าไม่เคยเกิดนับตายแล้วยังสูนย์นรกไม่มีบาไม่บุญไม่มีเก่งขนาดไหนกิเลแล้วเราโง่ขนาดไหนเอาทำมังกรยากเข้าไปจับที่จับภาคปฏิบัติอย่าเอาเรียนมาแบกคัมภี์มาอวดกันเฉยเฉยวดน้ําลายนั่นแหละตัวเครื่องมือของกิเลสอีกเราอยากเข้าใจว่าเราเรียนทำกิเลสมันกลัวมันวิ่งเข้าปากเขโลกนั่นแหะคือกิเลสทํางาน เรียนเข้ามาได้แต่ความจบคําจํามาอวดรู้อวดฉลาดกันเยอะๆ ย, ยิงจองหองก็คือพวกเรียนรู้มากๆากแล้วละทิฐิมากๆจดแม่จดฟ้าถ้ามีฟ้าแล้วหาได้รู้ไหมว่าอะไรพาให้มันทนงอย่างนั้นถ้าไม่ใช่ธรรมชาติอันเดียวนี่ถ้าลงธรรมพทุทธิจารแล้วไม่มีเรื่องทนงเอาอะไรมาทนงแม้แต่เพียงขั้นสมถะธรรมเท่านั้นก็ยุบย่อไปแล้วลงกิเกลียจะเอาอะไรมาทะนง แล้วลอยดก็ไปทลายถึงขั้นปัญญาแหลมกลงกบับทลายยิ่งเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของพิษของภัยทั้งนั้นความเดือดยิงจองหองความทันลงตนมีตั้งแต่เรื่องอันเดียวทั้งนั้นแต่ ก, กว่าแต่หนามแล้วใครจะยอมพอใจแผมัตักเสียบอยู่ในหัวใจนี้ต้องถอดออกถอดออกถอดออกถอนออกทถอนออกนั่นสิยิ่งลอยาก็ไปทลายก็ยิ่งเห็นก็ไปชัดเจนชัดเจนทําไมมันจะนอนใจอยู่ได้มนุษย์เดาหินนอกจากนอนอยู่เหมือนหมูเท่านั้นสะมาภาวนาภาวนาเอามีแต่เอาหมู มัดติดคอไว้มัดติดคอไว้หมูหมอนติดอยู่นั่นตลอดเวลามันจะไปรู้ไปเห็นอะไรมาภาวนากี่ปีกี่เดือนนั้นไม่ได้เรื่องเวลามันจะได้เรื่องเวลาอะไรไม่ได้เรื่องภาวนามาเข้าในหัวใจมีแต่เรื่องของกิเลสตนะสวัสดะภาพเภทต่างๆซึ่งมีแต่พิษแต่ภัยตัวยากใหญ่ทั้งนั้นเหยียบหัวใจตลอดเวลานี่คือตัวพิษตัวภัยมันเอาฝังไวในหัวใจนั่งสมาธิมันก็ฝังเดินจงกลมอยู่ก็มีแต่กิริยาอาการท่างนั้นนอกนั้นมีงแต่เรื่องกิเลสทํางานกรอบปวย เป็นหาที่บรรตุไม่มีแล้วเรายังทนงอยู่หรือเรายังภูมิใจหรือว่าเรามาภาวนาเอาภาวนาเขาให้เห็นสิเรื่องของกิเลสมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกโกโก้กโลกรหรือพระพุทธเจ้ามาสอนโลกแต่ละองค์นี้ไม่พระอาวาตอันเดียวกันก็คือรู้เห็นอย่างเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยพอที่จะได้คําพูดแปลกๆมาพูดให้โลกได้ฟังแล้วให้โลกได้แย้งสักบ้างว่า ทำไมพผู้เจ้าองค์นี้มาแตสะสรููเป็นอย่างนี้สอนธรรมเป็นอย่างนี้องคนั้นสอนธรรมอย่างนั้นไม่มีสอนองแบบเดียวกันหมดเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันค้านกันได้อย่างไงต้องอนําเรื่องอย่างเดียวกันมาสอนดิเช่นอย่างนรกบาปบุญสวรรค์ความเกิดแก่เจิดตายอื่แล้วก็ดูข้างน้าฏิอิชาตาสะทุกเจ้ามือยผู้มาเกิดที่ที่มันเกิดไปยังไง อ, อันเดียวกันทั้งนั้นครับผู้วิชาทั้งหลายที่ท่านสอน นี่ละลิศนิพพานังประวังสุ ข, ขังก็คือดูข้างหน้าทีอาช า, ารยศาสนั้นเองเข้ากันได้ปุ๊บเลยนี่ทำไมกี่ล้านองค์เราจะมาพูดถึงเป็นล้านล้านเลยอยากจะเอาเมตถิเม่สานมาพูดหนแต่จะรูปถ่ายทอดสมาลุ่ยเรื่อยเรื่อ ย, อยตั้งแต่กลับไหนกี่กับกี่กันไหนมาจนกระทั่งวันนี้ต่อกันไปเรื่อยๆ <c oughs> เรายังมาหลับตาปฏิเสธได้อยู่หรือให้กิเลสมันหลอกอยู่หรือเราเป็นชาวพุทธเป็นนักปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพาตแช ท, ทำไมมันหลอกได้ไม่เชื่อคนอ่าพระพุทธเจ้าเชื่ออะไรเชื่อกิอกเลสเป็นยังไงเห็นผลของมันไหมไม่เห็นว่างั้นเลยเราทำผู้ธรรมดาก็บอกว่าต้องเห็นแต่นี้ไม่เห็นถ้าเห็นต้องเชื่อพระพุทธเจ้าให้ฝังใจถ้าลองในความเชื่อได้อย่าง ทำม า, าได้อย่างเข้าถึงใจแล้วกิเลสหนาแน่นขนาดไหนก็เถอะมันอยู่ไม่ได้พัทงทลายทลายทั้งนั้นแ่ะไม่มีอะไรที่เดียวมีกําลังหมีน้ําหนักมีกําลังรุนแรงมากยิ่งกว่ากําลังของใจสามแดนโลกธาตุนี้พังทลายไปหมดไม่พังไงบุญเจ้าทําลาแดนโลกธาตุภายในจิตใจที่มันไปเทียวึดเปรียเที่ยวแบกเที่ยหามมีใจตรงเดียวเท่านั้นพังออกได้หมดตัวแบกตัวหามคืออะไรคือกิเลสมันพาให้แบกให้หาม คังนั้นองครกไม่แบกอะไรไม่หาอะไรอยู่สบายรู้ตามเป็นจริงอะไรมีอยู่ก็รู้ตามสิ่งที่มีเห็นตามสิ่งที่มีแนะนําสั่งสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นไม่โกหกโลกนี่แหละพระพุทธเจ้าเอาเอาเข้าให้สิภาวนาทั้งสามปัญญาทั้งสามให้กองอยู่คัมภีร์แบกให้มันหลังหักเล่นอยู่ทําไมไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาอยู่ในคัมภีรก็เป็นธรรม เอามาแก้สิแต่เราจะไปหารนกะิเลสมันอยู่ในธรรมอยู่ในกัมพีนั่นมันมีแต่ชื่อธรรมก็มีแต่ชื่อในกัมพีมันกองให่ในหัวใจคนไงทั้งกิเลสทั้งธรรมน่ะนรกสวรรค์ น, นี่เป็นสื่อทางที่จะก้าวไปจนกระทั่งถึงความสิ้นทุกข์ไม่มีอะไรนอกเหนืไปจากนี้เลย ลองเปิดทางให้ปัญญาเกิดได้ยินได้พูดที่เจ้าว่าปัญญาปัญญาตลอดตลอดถึงมหาสติมหาปัญญานั่นแ่ละมหาสติมหาปัญญานั่นแหะภาวนามายปัญญาโดยแท้เนี่ยถึงว่าระาที่ควรเกิดคนมีขึ้นมาแล้วหยุดไม่หยุดหมุนติวต้วตวเช่นเดียวกับ ก, ก, กิเลสหมุนในหัวใจของสัตว์โลกเพราะนี่เป็นช่องเป็นโอกาสทำมีกําลังแล้วกิเลสต้องหมอบลาบหมอบลาบต้องหลบซ่องซ่อนไม่หลบไปซ่อนพังจริงๆพังจริงแตกจริง ๆ, ๆกระจายจริงถ้าพูดถึงภาษาลโลกเราก็กกกหัวแตก สมองไหลเลยเจ้าไม่รอเรือ่องวุฒิอาวุธอย่างทันสมัยนี่อะไรจะทันสมัยยิ่งกว่ามหาสติมหาปัญญาแม้อันนี้สิ้นไปถูกไปแล้วปัญญาก็ยังไม่สิ้นสุดนี่ใช่แบบปัญญาอิสระไม่ใชป่ปัญญาแบบต่อสู้แก้นั่นแก้นี่แกกิเลสฆ่ากิเลสนั่นฆ่ากิเลสนี้ในวงมหาสติมหาปัญญานี่เป็นปัญญา ที่แก้กิเลสอาศวะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูทั้งหลายพอพ้นจากนั้นแล้วเป็นปัญญาอัตโนมัติอีกประเภทหนึ่งถึงเวล า, าที่ควรจะเกิดเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วดับไปดับไ ป, ดบไปโดยไม่มีเยื่อใยซึ่งกันและกันแล้วไม่สําคัญตนว่ามีปัญญาไม่สําคัญตนว่างโง่ไม่สำคัญตนว่าฉลาดเมื่อถึงเวล า, าที่มีเหตุมีผลเข้ามาสัมผัตสัาพันธ์แล้วเกิดเองเป็นเองเป็นเอ ง, เเองหมุนติ่วติ่วต่วจนกระทั่งถึงเหตุถึงผลถึงหลักถึงเกณฑเป็นที่แน่ใจและไม่มีอะไรขัดขั้น ข้านตัวเองในแล้วกับความจริงนานแล้วปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางนี่เป็นปัญญาประเภทหนึ่งเป็นปัญญาพิเศษประจำกิจที่บริสุทธิ์ในมหาสกิมหาปัญญานั้นประจำเป็นปัญญาอัตโนมัติหรือว่าเป็นปัญญาที่ใช้ในวงต่อสู้กับพิเลสยังยังอยู่เป็นปัญญาที่กําลังต่อสู้กันไม่ใช่เป็นปัญญาอิสระเป็นปัญญาต่อสู้ยังมีสองกับพิเลย พอจากนั้นแล้วก so, ็เป็นปัญญาอิสระจิตเป็นอิสระชั้นใดปัญญานี้เวลาออกก็เป็นปัญญาอิสระชั้นนั้นเหมือนกันไม่มีอะไรมาติดมากข้องมาควัวมาพันธุไม่มีอะไรมาบีบบังคับเวิงว่างเหมือนกับอวกาศจิตเวิงว่างชั้นใดปัญญานี้เวิงว่างชั้นนั้นเหมือนกันไปไม่มีติดมีข้องไม่มีคาที่ตรงไหนเพราะสมมติไม่มีแล้วในจิตตรงนั้นอาการของ ปัญญาที่ก้าวเดิอนออกมาแล้วจะเอาอะไรมาติดมาข้อมาพัวมาพันขอบคุณแล้วหรือคิดไปแล้วก็ดับไปดับไปดับไปพูดแล้วหายไปหายไปหายไปเหมือนมันได้พูดเพราะไม่มีอารมณ์กับสิ่งใดสิ่งที่เหลืออยู่แต่ความบริสุทธิ์ก็คือความบริสุทธิ์ล้วนเท่านั้นอ๋อจำไม่ดีธรรมอุเบกข์เจ้าเป็นโมฆะเถอะเหอถึงไม่ภากฏแ ล, แลนะนักปฏิบัติของเราเนี่ยสอนประกาศกรรมบานมาได้สองพันห้าร้อยปีกว่านี้แล้วสําหรับองค์ศาสดาของเราองค์ศาสดาอยู่ในที่เช่นไรเวลานี้ หรือมีแต่ลมปากกันเหลอในข้อปฏิบัติของเราเพื่อได้พบได้เห็นองค์ศาสนาที่ว่าผู้ใดยังทำเพราะเเห็นศาสนาคตจะไม่มีบ้างเหลือในหัวใจของผู้ปฏิบัติทแท้ๆนะพระพุทธเจ้าโกงโลกที่ไหนทําเป็นของมีอยู่มีอยู่มีอยู่ประกาศกำบาลอยู่ทั่วดินแดนโลกกัทานมาแต่การไหนมีอยู่ยังไงทําปฏิบัติให้เห็นเถอมาทํามอีอยู่ยังไงการสัมผัสทำสัมผัสด้วยวิธีใดทําแต่ละขัะคั้นสัมผัสกับปิดแล้วเป็นยังไงเราอย่าเอาอะไรมาสัมผัส ไม่มีทางตางหูจมูกเล่นกายไม่มีทางที่สัมผัสสัมพันธ์ทำที่ว่ามีอยู่มีอยู่นั้นได้เลยนอกจากกิจเริ่มตั้งแต่สมถะธรรมไปด้วยผ้าปฏิบัติสมถะธรรมเป็นขั้นขั้นจากนั้นทราบในนี้ถ้าพูดเป็นขั้นก็ขั้นในนี้ทราะละเอียดก็ละเอียดในนีน้ไปเองไปเองในกิจดวงนี้ปัญญาธรรมกับมันกันค่อยหมุนตัวมาหมุนตัวมาปัญญาที่แรกพาบังคับให้ก้าวเดิน พอมันติดสมาธิมีความสุขตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีความสุขความสบายพอจิตเป็นสมาธิสงบตัวแล้วเย็นสบายเพลินอยู่ในความสบายนั้นคิดดูที่ตั้งแต่เกิดมาหาความสบายไม่ได้จิตเหมือนฟุตบอลพิ้งไปกิ้งมาถูกเตะจากกิเลสต่นี้พอได้สงบตัวแล้วก็เพลินที่คนเรานั่นแหละท่านจึงได้สอนให้ข่าทางท่านปัญญาไม่สอนออกไม่ออกติดอีกเพราะไม่เคยมีความสุขอย่างนั้นมันก็ต้องติดสเพียงความสุขในขั้สมาธิมันก็เกินโลกไปแล้วแหละ ขกินโลกที่อยู่ในขั้นที่ทควรเกินแล้วก็ค่อยเกินไปเรื่อยสูงไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเวละที่จะเอะเยอะให้แหลกหมดขึ้นชื่อว่าชื่อว่าวัฏฏจักรวัตฏจิตที่มันมีอานาจครอบอยู่หัวใจนี้เอาแหลกแหลก น, น, นั่นล่ะปัญญาตโนมัตินั่นล่ะปัญญาวนามญยปัญญาเกิดขึ้นไม่มีขอบมีเขต เกิดขึ้นในทุกระยะทุกเวลาทุกอิยาบทมิได้ลับเท่านั้นดีย๋ยวนี้มันมีแต่ชื่อนะศาสนานะเออมีศาสนาที่แท้จริงติดหัวใจกิจริยารมารยาทของชาวพุทธเราที่ไหนเมื่อไรเร่มนันม่เรื่องของเกลียเข้าไปทำงานหมดไง ข้าถือพุธข้าไปวัดข้าไปวา่ า, ปวาข้าไปฟังธรรมจาศีลข้าเรียนปริญญาสอบได้ชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนี้มีแต่เรื่องมันแทกมันแทกมันแทรกมันแทกไม่รู้นะไม่เราไม่คุยเราก็ไม่รู้แต่ก่อนทําไมเ ข, เขานี้เอาคําพุ่นนี้มาออกมาพูดได้เอาฟังสิเรียนนักนักดนตรีก็โอตัวเท่าภูเขาเนี่ยสาคัญว่าตนรู้ตนฉลาดนักทำโทรก็ไปใหญ่เลย กี่ภูเขากี่ลูกมันตั้งนับเอพมหาปเปรียญเข้าไปแล้วก้าวไม่ออกมันหนักความรู้มันหนักความรู้อะไรมันหนักที่เดือดทับหัวมันโน่นต้องเอาปฏิบัติเข้าไปทําลายถึงได้ว่าไงปฏิบัติภาททวนาไปเข้าไปทําลายทิฏฐิมานานเหล่านี้มันฝังไม่รู้นี่ทำยังไงใ ค, ใครก็ภูมิใครก็ภูมิใจสอบเปลี่ยนตกนี่จนจะล้มทั้งหลายมันเสียใจมากทังนี้ ตอบได้ก็เหมือนจะเหาะจะบินตั้งแที่ไม่มีปีกดีใจมากนะมันบ้าทั้งขึ้นทั้งล่องนั่นเดี๋ยจะรู้นี้ภาคปฏิบัติจับเข้าไปสิมันก็รู้บ้างตัวเองแหละไม่ต้องไปรู้บ้างของใครรู้บ้างของตัวเองนั่นก็รู้บ้างของโลกนั่นแหละมันจะไปไหนกิเลสประเภทเดียวกันครอบหัวอยู่พังเข้าไปตรงนั้นมันก็รู้กันหมดนั่นแหละนี่มันอินนาระอาใจนาการสั่งสอนหมู่เพื่อนมันคอยจะจะแวกแนวแวกแนวแหวกแนว ช่องทางที่ให้ไปมันมายอมไปไม่ยอมปืนนี่พี่ให้ที่กิเลสมันลากไปตลอดเปอกเปิืกไปทั้งวันั้งคืนไม่มีเข็ดมีหลาบนี่เลยถึงตามมาเช้ามีแต่เรื่องอันเดียวฉุดลากเลยถ้าว่ามันเป็นภาพเป็นอะไรเหมือนอย่างสิ่งทั้งหลายเป็นรูปเป็นร่างแล้วพระเนี่ยในวัดป่าบรรดาแล้วมันมีกระดูกติดตัวที่ไหนอย่าว่าแต่หนังตลอดเปลาะเปิืกไว้หนังก็หมดเนื้อก็หมดเอ็นก็หมดกระดูกก็หมดเป็นผุยผงไปเลยถูกกิเลสมันขยี้ขย่ำเอาแหลกขนาดนั้นนะ่ะ ทั้งๆ ท, ที่เราเองก็ไม่รู้นะน้องทูมใจเห็นกินเลสเป็นของประเสริฐเลิเลื่อไปได้ตั้งๆมาปฏิบัติธรรมแล้วพุทธังธมังสันังกฉามีซะด้วยคำว่ากิเลสสันังกฉามไม่ได้ว่าเลยแต่กอดเอามากัดตับเอาเลยนี่นี่สิเอามากัดในพลวงหัวเขาตับแหลกไปเลยพุทธสารังกฉามีสารังกฉามีนั่นแยบอก ท่าไหนมีแต่ท่าของกิเลสทางนั้นเย้าไปคก้วนไปเข้ามาแย้าไปก้วนก้านไปเข้ามาก้านเข้ามาเผาเจ้าของยังไม่รู้โง่ไหมมนุษย์เราโง่ไหมพวกปฏิบัติเราเอาจำให้ดีคํานี้ฟีดขึ้นสติปัญญาที่กล่าวนั้นน่ะมันจะต้นไปไหนจะไม่รู้อันนี้จะรู้อะไรมีอันนี้ติดแน่ความเข้าใจใกล้กว่าสิ่งใดทั้งหมดประเภทต่างๆของอาธรรมฆ่าศัต ร, รูอันใหญ่หลวงเนี่ยนับแต่อวิชชาปัญญาสร้างฆราสร้างฆราปัญญาบิณญาณออไปเรื่อย ี่พอพูดถึงเรือวิชานี่ก็เป็นเหตุให้คิด <chew> เหมือนกันอวิชาปยาสร้างคาลาผู้ดเรียนอวิชาผู้ปฏิบัติอวิชาจะดูอวิชาปยาสร้างคาลาอวิชาเป็นปัจจัยที้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญ ญ, ญ, ญาณยาวยืดไปนู้นไปนู้นไปนู้นไปนู้นให้มันวาดภาพหลอกไปหลอกไปหลอกไปตัวอวิชาปยาสร้างคาลาสร้ง า, างคาราวิญ ญ, ญาณปัจจัยมันเกี่ยวขันกันอยู่ในหัวใจตรงเดียวนี้ไม่คิดนี่นี่ใช่ปฏิบัติมันก็รู้เองอันนี้ก็ดี นี่เราจะไปตามมันตามตลอดตามเถอะเหมือนไม้ต้นนี้อะเ้าไปเด็ดออกใบนั้นออกเด็ดใบนี้ออกเด็ดใบนั้นออกเด็ดกิ่งนี้ออกตัดกิ่งนั้นออกตายทิ้งวัวปอมมันก็ไม่ได้ทาลายต้นของมันขุดร า, า, ากแก้วรากฝอยรากแก้วมันพรวดถอนพรวดขึ้นมาแล้วมันไปไหนเท่านั้นไม่ต้องไปนับมันตายหมดมันเกี่ยวโยงกันหมดไม้ทั้งตนน้นมัน นัตตะกิ่งการดอกใบของมันอันนี้ก็เหมือนการถนอมอวิชยาปญาสร้างขาลานั้นเป็นกิ่งไปแล้วนะเพราะอวิชยาปญานั้นลากแก้วสรงขาลานั่งคาลาปยาเป็น ญ, ญาณังนั้นคือกิ่งคือการคือเปลือกคือกะพีออ้คือดอกคือใบของมันไปเรืเ่อยๆที่นี่ก็นับดอกนั้นนับใบนี่นปเป็นเป็นบ้าไปเลยนี่แหละความจํามันไม่พ้นที่จะต้องหมายอย่างนั้นหมายอย่างนี้เหมือนอวิชชาจะเป็นอย่างนั้นเหมือนสังขารจะเป็นอย่างนี้วิญญาณจะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆ ให้มันหลอกให้ตัวกิเลสนั่นหลหลอกเราเรียนทำเรียนเรื่องของกิเลสอยากจะรู้เรื่องกิเลสถูกกิเลสปิดไปไม่รู้ปิดไปเรื่อยเื่อยไม่รู้เป็นกิเลสทั้งหมดอืมเราไม่รู้โน้นภาคปฏิบัติจับเข้าไปจับเข้าไปขุดด้านโน้นออกมาขุดด้านนี้เข้ามาขุดเข้าไปขเข้าไปลากฝอยตัดเข้าไปตัดเข้าไปถึงรากแก้วตัดขาดแหลกร่มตูมลงไปไม่ต้องไปนับมันก็ได้ไม่ต้องไปดูมันก็ได้ถึงการสาขาดอกไปมันตายไปพร้อมกันหนดเลย นี่จึงไม่เทศเทศเรื่องอวิชชาปัญญาสร้างคาลาสร้างคาราปัญญาเวาีเยนาเฮพื่อทำไมบอกตั้งแต่เรื่องราวความจริงที่จะฆ่าอาวิชชาให้ท่านทั้งหลายได้ทราบนี่พอเทศเข้าไปถึงเรื่องรูปกายนี่อายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาสัมผัสสัมพันธ์กับอวิชนาภายในายตาหูจมูกลิ้นกายนี่เรื่องอวิชชามันไปทํางานเห็นไหมความหมายว่าอย่างนั้นเราพิจารณารูปกับพิจารณาเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอ้าวพิจารณาเข้ามาถึง ตามหูจมูกเลี่ยงกายเข้ามากายเข้ามาหาเวทนาสัญญาตั้งฐานวิญญาณนี่หมุนเข้ามานี่พิจาราลอกเข้าไปลอกเข้าไปนี่เหมือนกับตัดน้าก๋อยของมันเข้าไปโดยลําดับลาดาพอมันเข้าถึงที่แล้วมันก็เข้าอุโมงค์อย่างที่ว่านั้นอย่งเคยพูดนั้นเพราะมันรู้ชาติจริงทั้งรูปกายของตนทั้งเวทนาสัญญาตั้งฐานวิญญาณนะมันจะไปไหนมันหาที่ยึดที่เกาะหาที่หลบซ่อนไม่ได้มันก็หมุนตัวเข้าในหมุนตัวเข้าใน สุท้าก็ไปอยู่ที่จิตดังที่เคยพูดในหะ้ฟังมเส ม, ม อ, สมมอจนเปล่าแฉะแล้วเนี่ยนี่เอาความจริงมาพูดเนี่ยนี่เราคือพูดเรื่องอวิชชาเป็นเพียงไม่บอกอวิชชาเฉยๆไม่ได้บอกเป็นชื่ออย่างนี้เฉยๆหลธรรมชาก็คืออวิชชาแล้วสุดท้ายก็จึงไปบอกว่าอาวิชชากับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมกืนเปน็นเดียวกันถึงได้บอกอเวลามันหดตัวเข้าไปแล้วตัดเข้าไปตัดเข้าไปจนกระทั่งเพิ่งถอนพรวดออกมาจากจิตแตกกระจายไปหมดแล้ว ถามมาทำไมไมีผ่านเท่านั้นขอให้ใจบริสุทธิ์เท่านั้นก็พอมันกระจายไปหมดเลยมีแต่กิริยาหรือศาสนาไม่ได้นำศาสนามาเป็นประโยชน์แก่ชาวพูดเราเลยทำไมประกาศโฆษณาแ ส, แสดงที่นั่นแสดงที่นี่ก็มีแต่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 หรืงนี้เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะทาลายศีลนั่นเองทําลายศาสนาจะเป็นอะไรไปก็บอกทำลายศาสนาศีลห้าใครบัญญัติไว้เนี่ยปานาฆ่ากันวิน่าสา ต, ะตะโลนี่คือใครฆ่ากันไม่ใช่ทําลายศาสนาจะเป็นเรื่องอะไรศาสนาพุธาทธตันสอบไม่ได้ ว, ว่าชาติพูดเองเป็นผู้ทําลายจะไม่ได้ว่าทำลายศาสนาอะไรปานาอธินากาเมมุสาสุราเหล่านี้ไม่มีใครรักษามีแต่ผูท้ทําลายทําลายทํำลายแล้วเอาชาวิพูดมาจากไหนมาพูดว่าเป็นชาวิพูธ แล้วโรคเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรไม่ได้เดือดร้อนเพราะศาสนาเดือดร้อนเพราะการทําลาศาสน า, าถ้าต่างคนต่างรักษาปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็พอแล้วโลกนี่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษอท้าลางมีไว้อะไรไม่เห็นจําเป็นอะไรเพราะใครก็ไม่ทําโทษจะเกิดมียังไงไม่ว่าโทษอาญาไม่ว่าโทษอะไรทั้งนั้นนี่ยกฎแ่งกฎอาญาัพูดขึ้นไปนะ ผลไนมันกเกิดจากมนุษย์ที่ทําลายศีลธรรมทาลายศาสนานันเนี่ยทําลายตัวเองแล้วก็กลายเป็นทําลายหมู่เพื่อนที่เกี่ยวโยงกันไปไม่มีสิ้นสุดมันปัดคุณนั่นเห็นไหมตารางมีแต่คนทําลายศาสนา น, นเนี่ยคนนักศาสนานจะไปทําอะไรนั้นไม่ชฉมไม่รักไม่ปล้นไม่จะดมอะไรที่จะผิดศีลธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดศีลธรรมยิ่งเป็นของละเอียดแล้วไม่ทําแล้วจะเป็นโทษประจำไหนใครจะไปติดคุกติดตารางนั่น ศักดิ์สิทธิ์ไหมที่นี่มนุษย์เรามนุษย์ทั้งคนไปเป็นนักโทษในเรือนจามันเลวไหมทีนี้เมื่อมนุษย์ต่างคนต่างรักษาตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์ตามดับศาสนาแล้วใครจะศักดิ์สิทธิ์เกินมนุษย์มองเห็นกันยิ้มแย้มแจ่มใสเลด้ยวยความไม่เนื้อเชื่อใจกันได้ตาใจกันได้ไม่ว่าจะเกิดมาจากชาติชนวั น, นใดสกุลใดภาคใด แม้ในประเทศเดียวกันห้างไรประทัง ม, มนุษย์เหมือนกันความรู้สึกเหมือนกันต่างคนต่างรักษาความศักดิ์สิทธิ์พิเศษจัดศีดีงามของตัวเองด้วยศีลด้วยธรรมแล้วเข้ากันสนิทมนุษย์เราอันนี้มันไม่สนิทเพราะอะไรก็เพราะตัวเทวทัศน์มันอยู่พายในจิตใจท่านสิคอยทําลายศาสนาที่งมีอยู่ในตัวเองที่ควจะได้มันไม่ได้ทางทลายันไปหมดหลุดไม้หลุดมือไปหมดนี่ <c oughs> แต่ทำให้มันศักดิ์สิทธิ์เปนพระศักดิ์สิทธิ์อย่างเมืองไทยเรานี่เอาอต่างคนต่างรักษาศีลห้าสิ เมือต่างคนต่างรักษาคดีไม่มีขึ้นโวมขึ้นศาลขึ้นไปเพราะการทําทําลายกฎหมายบ้านเมืองทาํามาศีนธรรมนั่นเองเมือนต่างคนต่างรักษาแล้วจะเอาอะไรไปขึ้นรวมขึ้นศาลไม่มีเนี่ยตารางเดินจําทําให้ก็ทําให้อย่างนั้นล้างคุยภาษาอายการทนายเนี่ยลือหมดเมื่อต่างคนต่าง เป็นทำอย่างที่ว่านี้แล้วถึงจะเป็นโดยเหตุที่ไม่รู้ก็ตามให้อภัยกันได้เนี่ยเป็นขั้นขั้นไปเลยใครจะไปถือศีลถือษากันลงศีลธรรมในหัวใจมีเ <c oughs> ต็มบัดกาของผู้ปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ถือศีลถือษากันเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีคุณค่าเกินศีลธรรมศีลธรรมมีคุณค่ามากกว่า ก็ให้พายกันได้ง่ายนิดเดียวมันเรามีแต่ทำลายทำลายใคก็กวาใครเก่งใครกวาใครฉลาดสร้างขึ้นมาสัปดาอาวุธขึ้นมาพเพื่อจะทำสังหารเรานะ่นเองจะไปว่าสังหารเขาอะไรสังหารเรานั่นเนี่ยมันโง่ไหมลนะ่ะปีนาดี้เรามีเขาก็มีนั่น เราสู้เขาก็สู้เรารบเขาก็รบเราฟันเขาก็ฟัน <c oughs> รเราฆ่าเขาก็ฆ่าเนี่ยไม่ว่าฆ่าตัวเองทําลายสร้างขึ้นมาเพื่อทําลายตัวเองจะว่าอะไรผิดที่ไหนทำบุญที่เจ้าสอนไว้นั่นว่าว่าสร้างไว้เพื่อป้องสร้างไว้เพื่อป้องกันตัวสร้างไว้ไว้เพื่อทําลายตัวนะ่ะหลักความจริงมันอยู่ที่เพื่อทําลายตัวต่างคนต่างสร้างต่างคนก็ต่างทําเพื่อจะทําลายกันนะน่ะมันคือสร้างทําลายตัวเองนั่นเอง หลักยินทำเป็นยาง้นยินททำยังไงยิ่งดังยิ่งไหลก็มามันไม่มีขอบมีเขตจะไม่มีที่อยู่ที่พักให้พักให้อยู่แล้วมากิง่งกิก้างก้างภาวนายิย่งกุจูงหมาใส่ฝนร้องอย่าังๆย่ๆอับป่อย นรกกับวิกีมันเร็วนี้นี่มันไม่ทันทำไงมันมีตั้งใจเจตนาไหนมันเป็นแต่สิ่งที่มันผลักดันมันเหนืออำนาจเราเหนือความรู้ความฉลาดนของเราที่จะทันมันมันมีอยู่ภายในใจมันถึงผลักดันออกมาให้แสดงตลอดเวลามไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวเลยงี้มันสะดุดใจมากทีเดียวกระเทือนใจมากเรา นี่จึงถึงกล้าพูดบางทียังพูดออกมาได้กล้าพูดเลยในเรากับกิเลสนี้มันผุขึ้นมาละเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เป็นอะไรละมันเอาเรื่องที่เคยต่อสู้กันถึงพลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายมานั่นแหละนั่นจึงถือว่ากิเลสกับเรานี่มันไม่ทราบเป็นยังไงมันเป็นข่าศึกต่อกันอย่างยิ่งึงสมมุติว่านั่งสันทหารอยู่นี้ว่ากองทัพกิเลสมาแล้วน่ะไหนที่เดียวเลยบาทนี้เพ้งตูมใส่เปรี้ยมเลยไม่มีคําว่ายกครู อ้าวกิเลสตายแล้วถึงจะกลับมาฉันหนักอีกทีหนึ่งถ้าเราตายแล้วก็ไม่ต้องมาฉันไม่จุง้งยุ่งมันให้กิเลสถ่อศกไปเลยคําว่าถอยไม่มีเพราะมันเครียดแค้นถ้าพูดถึงเรื่องความเครียดแค้นแบบโล ก, โลกนะนี่เรายกเอามาพูดเหมือนกับเป็นข้อเปรียบเทียบกับโลกสมมุติที่มีมาเครียดแค้นมันถึงใจถึงขนาด น, นั้น่ะรอไม่ได้เลยคำข้าวยังคาปากยกก็ทั้ ต่อยทั้งเคี่ยวหรือลืมเคี่ยวก็ไม่รู้เละะเอากันเลยปั่ ง, งเลยเจยวรอไม่ได้เนี่ยปัญญาที่มันถึงขั้นมันเด็ด จ, จากการมันเด็ดอย่างนั้นนี่ความเที่ยบเขาอีกขั้นหนึ่งนี่เดี๋จะโผล่มาไม่ได้เป็นอังขาดเพราะไม่โผล่ก็ค้นอยู่แล้วนี่ค้นหาอยู่แล้วนี่นั่นแหละแปลว่า ง, งานอันหนึ่งที่วัชเติยปัญญาตโนมัติคือมันคุ้ยเคียวหาอยู่นั้นไม่มีหยุดไม่ถอยจะจะไม่มีอะไรให้เหลือซากจุพันติใจเลยเอาให้แหลกหมด คุยเคียกก็คุยเคียวย่างถึงใจด้วยอืมเพราะงั้นมันต้องหมุนที่อยู่ที่อยู่ที่ไม่มีทําให้ถึงใจหมุนได้ยังไงสติปัญญาก็เปน็นธรรมชาติอันหนึ่งที่หนูนสติปัญญาให้หมุนอีกมีอีกนั่นเหมือนกับวิละเอที่มันพอตัวของมันกําลังของมันมากมันหมุนตัวออกมาผลักดันกิริยามอาการต่างๆให้เป็นก็ อ, อย่างเดียวกันเมื่อส่วนหยาบมันหมดไปหมดไป ปัญญาขั้นละเอียดก็ตามกันไปตามไปอิเลี่ละเอียดขนาดไหนปัญญาละเอียดขนาดนั้นเหนือนั้นเหนือนั้นทำลายอะไรเอาจนกระทั่งมันแหลกไม่มีเหลือถ้าเราพูดถึงว่าเกิดก็เกิดชาติใหม่แล้วันนั้นขนาดนั้นแล้วทํำไมจะไม่เห็นโทษโอ้โหมันปิดมัน บีบบังคับประมาตั้งกันเมืออ่อไหรไม่รู้ไม่รู้โอ้โหโอ้ยโทธรรมน้ําตาร่วงความอัศจรรย์ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยรู้เคยเห็นก็ได้เห็นจะแล้วได้ปรากฏไปแล้วอืนี่ก็ถึงใจอัศ จ, จรรย์น้ําตาร่วงเอา้าเห็นโทษครับผูกกิเลสต้มถุนมาสะพอจนกระทั่งวาลาสุด้าษิภิชาปัญญามันยังต้มอีกนี่มันก็ถึงใจ มันถึงใจจะถึงใจทําไมกําลังใจมันจะไม่มีนี่แหละมันถึงถึงถึงอะไรจะเป็นเหนือกําลังใจไม่มีในโลกนี้ถ้าถ้าลงในบรรจุตัวเต็มที่ไม่ว่าทางฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันทําให้เอาแหลกได้เหมือนกันทางชั่วก็แหลกได้เลยไม่ได้วตกวิจารณ์กับบาปกระ บ, บุญคุณโทษอะไรเลยถ้าลงกิเลสตัวนี้มันถึงใจแล้ว ท, ทั้งทำก็เหมือนกันทําก็ถึงใจ ที่จะปราบพิเลกอตาเีเบชิตังเซ่ยอยู่การชนะตชนชนะตนนั่นแหละประเสริฐนี่ตรงนี้อันหนึง่งครับเอกันจากเชมมาตานังสวาสังสวยสังรามทิตตะมงกา ร, นามมการชนะตนนั้นแรประเสริฐสุดนี่มันถึงใจกำลังของใจเป็นสำคัญนะ การประกอบความเปลี่ยนเมื่อกําลังใจความมุ่งมั่นของใจมีมากแล้วมันจะหมุนหมุนตัวแล้วก็ยิ่งได้รับอุบายจากครูจากอาจารย์ที่ท่านแสดงถูกต้องแม่นยาต่ออบต่อธรรมตอบความจริงเพื่อฆ่าที่เด็ดทุกประเภทไปแล้วด้วยแล้วนั่นน่ะยิ่งถึงใจมันติดผึงผึงผึงเลยเพราะงั้นการได้ยินได้ฟังจริงเป็นสิ่งสําคัญมากทีเดียวเราไม่ลืมเ้าได้ฟังทำกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์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 ไปถึงนั้นท่านผ่านผึงเลยเพราะท่านผ่านไปแล้วนี่ท่านรู้แล้วนี่ผ่านผึ่งเราก็โดดผึงไปตามได้เก้าสองเก้าก็เอาบางเทศแต่ละครั้งละครั้งนี้ได้ทีละเก้าสองเก้าไปเรื่อยแล้วก็เพิ่มเติมไปเรื่อยนี่การบังเทศจึงเป็นของจำพันมากมานังที่ท่านแสดงไว้ในครั้งพุทธกาลนอพุทธิจาประทานพระวสแต่ละครั้งในพุทธบริษัทได้บรรลุมรรคผลนิพพานมากมายแต่ก็ไม่มากยังไงคนที่มีจุดจอดมีจิตจุดจอดต่อทำทั้งหลายมีอยู่เป็นจํานวนมาก เราปุณิสัยปัจจัยมีความเหลื่อมล้ำต่างสูงต่างกันฟังมากต่อมากคราวนี้คนนี้ผ่านไปได้แค่นี้คนนั้นผ่านไปได้แค่นั้นมากต่อมากก็ผ่านได้สิเอาผู้นั้นขยับเข้ามาผูนี้ผ่านไปผู้นั้นขยับขึ้นมาผ่านไปผ่านไปเราเชื่อไว้เปอร์เซ็นแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะักตอนที่ยังสู อ, อยู่แต่พอมาปฏิบัติแล้วไมไ่มาได้ยินในฟังโอวาทของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่สื่ให้โอวาทนีแหม่มันถึงใจตนะเกินเะเทศบางทีถึงสามวั น, เนึเหมือนกับว่าโลกธานมันดับไปทำๆทํา เทวสนาของท่านเหมือนไม่มีอะไรไหวติงเลยใบไม้อะไรนี่ธรรมดาก็โลกมันก็มีธรรมดาแต่เหมือนกับว่าโลกนี้ดับไปหมดเพราะอานาจของธรรมท่านครอบไปหมดมันกลางบานอยู่ในหัวใจเราเนี่ยพูดไปพูดไปเหนื่อยแล้วนะนี่เข้มข้นแล้เอาละ แ, แค่นี้นะทธรรมดามันก็ไม่ได้อันนี้มันก็เป็นตับมันหนงเหมือนไกรกัรู้ถ้าพูดแล้วมันหนักผึงขันม่ะ ไปมันก็นมกระเทือนตัดกันนี่เ้ไปไม่เไหนหยดยยมันสมใจมันไม่สมนี่แหละเรื่องมือไม่ดีเพยงี้รถไม่ดีคนขับจะมือดีขนาดไหนก็เถอะฮิโลโคเก น, น่ึนนงเียนของผมมันกเป็นทังมันไม่ทราบเปไ็นไเดินไปสูส้ ซ, ซัดสเาธรรมดานี้ ธรรมดาธรรมดามันก็คงล่มไปไม่รู้กี่ครั้งนะแตอนนี้จิตของเราไม่แค่คุยก็มันไม่เคยพากจากตัวแม่ขนาดนั้นเลยในวันเคยหนึ่งหนึ่งไม่เคยมีมันเป็นหลักธรรมชาติของมันอ้อ่านมันรู้อ่ามันรู้เร็วที่สุดที่ดูวันนั้นมันยังล่มได้แสดงว่าละเอียดมาก จึงไม่กระเทือนความรู้เลยอยู่ในห้องน้ำที่ว่าแต่มันตานชำเลืองไปทางนี้มันไปเห็นกระเบื้องไหลไปทางหน้านมันกรู้ทันทีว่ามันร่มขึ้นข้างหลังมือป้าแบบนี้เลยถึงทันทีเลยนะโอ้ทำให้รู้งั้นจะ ด, ดีไม่ดีแค่หลบอยู่ใ น, ในห้องน้ําคนเดียว มันมันจะลงเต็มที่มันเลยเพราะมันไม่เตือนเลยนะมันมีวิวแววพอเตือนคนตัวนั้นไม่มีแต่ตามันไปมองเห็นมันก่อนแลยกระเบื้องมันไหลทั้งหน้ากระเบื้องในห้องน้ำมันก็แน่ใจทันทีว่าเจ้าของล้มขึ้นข้างหลังนายหลังคุณทำไมล้ม มือก็ปาบไปงี้ทันทีเพราะนิสัยเรามันก็คล่องตัวอยู่แล้วตามปกติพอมือปาดไปข้างหลังนี่มันก็ลงถึงพื้นพอดีมือปาบถึงพื้นพอดีเลยมือก็ลงอย่างแรงก้นก็ลงแต่ไม่แรงเพราะมือเข้าไม่ก่อนจงเจ็บตั้งแต่เราตั้งท่าขนาดนั้นมันยังเจ็บพอลงปุ๊บมก็ถึงพอดี พอพาดปุ๊บถึงพอดีเลยถ้าลันอยู่ น, นิดนึงนีนกบลงโคลนเะนี่ยท้ายทอยนี่ก็เสียงส่วนพอดีกันเลยเราเรากระพวงโอ้ยพอดีแค่อันนี้พาดตรงนี้ป้วนี่ก็โอ้ยดีไม่ดีก็ตายสลบทีนนะน่นั่นแต่เพื่อนก็ดึกดกน้องเล่าเราจะนั่งนังก่อน ก็ไม่เก็บที่ไหนนี่เพราะมันรู้ตัวซะก่อนมันก็ไม่ทําเก็บที่เก็บแต่นี้ก็เราก็รูู้ว่าเก็บเพราะมันค้ยายันกันต่นนั้นพ อ, อประมาณสักห้าทีนั่งลุกขึ้นอีกท้างๆนี่มันกระลุกมาอยู่นั่นแล้มีกิริยาหนึ่งเขาอยู่ตั้งท่าอีกลุกขึ้นกระลุกขึ้นยอดลงนี้เลยนะ ล, ลมแบบนี้มันไม่ได้ลม้มทั้งาย น, นะมันลง ม, มันสุดลงมาเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีอาการอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นไม่รู้นะอ่ะมันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เจ็บเพราะรู้กันอยู่รู้ๆกันอยู่นี่มันล้มไม่เห็นล้มแบบแบบ ร่มแบบเาเรียกว่าร่มอะไรนี่ในยุคนี้มัน่มทาอย่างนี้ลลมมนนเลยาะภาษาสามบูร่มแบบอะไรยอตัวทำงานอ่นี้เ า, มมาเรียกแบบอะไรมันก็นั่งอีกมันจะเป็นเพราะ อ, อะไรนะพีะาธนา ยูทา่าขันกันดียิงเยียนอะไรก็ไม่มีเงี ย, ยบแล้วมันล้มได้ยังไงนะ้นี่ก็อยู่อีกประมาณตั้งห้านาทีลุกอีกอลองดูมันจะเป็นยังไงอีกทดลองดูวขึ้นล้มอีกอ่ะมันไม่ได้เรื่องได้ที่นี้วะไม่เจ็บไม่ปวดเลยกล้ม <c oughs> ความกินมันคงเขานะมันมีกําลังผกลม้วนมันก็ไม่เจ็บเขา่าปวดเขานะเฉยเยอยู่เข่าวันนี้ มันคงเขาไม่มีกำลังพอครั้งที่สามไปแล้วก็เอาน้าคราวนี้เปลี่ยนเพลงใหม่ครานออกมาเลย <c oughs> <c oughs> ลุกไม่ได้ไม่ต้องลุกครานลงมาเลยมาก็ถ่ายผ้าผ้าผ่าทิา้งนั้นแล้วก็ครานจากนั้นก็เข้าห้องเลย <c oughs> โอ้าถึงสิดถึนกินครานจากห้องน้ำนี่ไปเข้าห้องเลยไม่กล้าลุกมือมันจะล้มอีกไปครานระวังไปนะม ไม่ใ่ข้ามธรรมดาข้ามด้วยค ว, วามระมัดระวังค่อยๆไปขา้ามไปสังเกตไปถึงมันลงก็อย่ามันลงแรงนี่ก็มีเท่านี้จากนั้นมาตั้งแต่ก่อนมันก็เป็นอยู่แล้วจากนั้นมามันก็เป็นนั้งวันเดียในระมันระานาวังเดินยังครมหรือเดินไปไหนมาไหนโซซักโซเซ่ทาระวังเหมือนกับผู้ต้องหาเนะ่ยร่างกายเหมือนผู้ต้องหา สติคอยควบคุมเหมือนนายควบคุมผู้ต้องหาดี่อะไรเป็นโลกสองโลกขึ้นมาโลกนี้เป็นโลกที่ตายง่ายมากทีเดียวเราล้อมตรมนี้ต้องจะไปทางสรบที่หนักถ้าเป็นล้มดินธรรมดาคนชัว่วคือล่มถูก อย่างแข็งแข็งนั่นด้วยเปินไปตามซีเมนซีเ ม, เมนอย่างนี้ได้ระวังเไม่ตื่นอะไรเขาฟกลมเฟือยเขาฟังไปเถื่อนฟังไปโรมกำโมปากไปนเขาไม่ตื่นเาไม่มีสำคัญกันว่าเปไร หมดจริงๆมันไม่มีจริงๆหมดความกระแข็งไมมีว่ากระสือเรื่อยๆอรนไม่เห็นมีวักรรต่อยนงอหน่าอะไรมันไม่เห็นมีเพราะทั้งสองอย่างเป็นสมมติกรรมาใชเรู้ถ้กธรรมชาติแท้จริงนั้นทรงอยู่กับตัวเ้าเอาอะไรมาพูดก็ไม่ถูก อะไรมาเพิ่มก็ไม่เหมือนไม่มีอะไรเหมือนแล้วไม่เหมือนอะไรการแต่อหารเป็นยังไงเคยพูดขึ้นๆจับๆใครแก่อหารดูทุกบาทใา้ใหญ่ๆอ๋อไหมหรือมัพทำคุ้มๆซ้ำๆแบบพอผ่านมือผ่านมือพอแล้วมือแล้วมือ ทำมทํามเหงื่อไงล่นเะงี้ยการทำนี้เป็นข้อวัดเป็นการปฏิบัติเกณเทของน้ำทำกับแต่ว่าทาความเป็นคำอยู่ความกรหน่ำกระมือบางคว่ามาส ม, มึงผมผมไม่ดีผมมัไม่คิดอยู่แค่นี้เงี้ยมันคิดอยู่หมด ทุก ป, ป, ปากทุกครั้งที่อยู่ร่วมกันมีความเบื่อความรับผิดจ้าของเรามาเชื่อวไปล่วมคนี่และกับลูขกของเราเนี่ยลูกแก่คนกับคนพ่อแม่จะมีความรักสม่นเสมอมความมาปลูกเนี่ย น, น, นี้ก็เหมือนกัน นังอะไรมันจริงจไม่ลืมจริงตัวอย่างเพราะว่าใครมาทำรอยๆเลยเห็นมันถึงขวางตามันระทวนถึงใจมันไม่รอแเลยหน้ามึงร่างทำนั้นสมอสมบ อยากไปบาทไหนก็ดูนอกจากเจ้าของไม่เอานั่นเป็นอีกย่างหนึ่งจากสม่ำเสมอเป็นธรรมธรรมอยู่ที่ความสม่ำเสมออะไรมาให้หัวหน้าหัวหน้ามันเสกหรือไมกหัวหน้าจริงไม่เห็นเป็นเสกมั่นอย่างผมเป็นหัวหน้าผมไม่เสกนะว่าผมป็นผู้ใหญ่คน่ผมควช่วยซ้าคมดีผมีคนอนผมไม่ยมีอย่างนั้นเลยถึงไหนถึงกันอย่างนั้น อันนี้พูดได้อยเปอรถึงไหยถึงกันมากน้อยเหมือนกันให้เหมือนกันที่อเราอยู่กับหมเพื่อนไม่ไมาอยู่กับเราเพราะสิ่งเหล่านี้มันมันเสมอกันเหมือนกันปากท่องเหมือนกันไม่ว่าปากหนิ่งปากพระปา ก, กครูอาจารย์ท่องครูท่องอาจารย์ท่องพราท่องหนึ่งมันเหมือนเหมือนกัน ทำงี้เะมออย่างหนูหนูภาพผมนึกว่านังล่าจางกระถูมันเข้าหมดทั้งปรยัทั้งปฏิบัติานมันพูดได้เรื่องปรยัก็พูดได้เรื่องปฏิบัติก็พูดได้เพราะมันเข้าแต่ออยู่ทั้งนั้นวันเมื่วันรานวัดหลวงวัดใหญ่วัดนอไปไปอยู่เหมือนอู้อ๋าทางปากนเหมือนกัน นั่งเหนืาา่อยก็ไปครูบาอาจารย์ยื่งนชื่อสูดงดังเท่าไรมันยื่งบุกเข้าไปนั่นก็เห็นครู า, าอาจารแต่ละองค์มี้ใส่ไปยงงงังนงมาเหมือนกันแต่เราต่อแยกผิดธรรมล้วถือเอาตรงนี้การนิสัยเหมือนกั น, นเหมือนกันไม่ต้องการยิ่งกว่าเอาหลักธรรมย่อยออกกลางกรณีใส่นัน้น ยาขี้หรืมากลางาเจอมมกกางก็อย่างที่เคยพูดอยู่หัวหน้าไม่ทราบว่าหม้อมาเศร้าตินโตเอื้อมก็จะไม่ถึงมันลูกวัดแห้งผากอันนี้มีไหมผมไปทำไมางนั้นมันก็เกิไม่ตายของเนจนกระล่างมันถึงใจออกอุทานปัญในใจเรา เมื่เราได้เป็นผู้ใหญ่เมื่อเรามีหน้าศาสนาแล้เป็นผู้ใหญ่นี้เราจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมมา น, น, น, นุ่นมันถึงใจตอนนั้นมันกินกลางวันกินน้ำใจอันทุกสิ่งทุกอย่างที้แม่มาขอผมของจําเป็นของมีไว้สําหรับทุกวงอะไรมีอะไรใช้อะันอะไรไม่มาดื่มเหล ยิ่กว่าที่ได้หนูควรจะับความภาสิสบานตามวิสัยของสมณะแต่ไม่ผิดวิสัยสมณะอะไรถึงในที่มันจะสริ้เหให้เกิดนั้นผมเอากินมนีประดีผมไม่สริมผมไม่ให้ตัวอย่างเช่นอย่างนมนี่มั น, มนผมไม่สริมพระนแม้แต่สาวัดไหนผมก็ไม่ให้นะเพราะวัดไหนก็เหมือนกันเป็นวัดที่ปฏิบัติตธรรมเหมือนกัน ผมจะให้ให้คณเจ้าคุณแก่ให้เดียวเขาเลี้กงให้พวกเขามีขอบเขตไปเตามเย่อของเขาแล้วพูดถึงเรืองธาตุขันท <Tá, S 1> no ี่มันกำลัง e รุนแรงมีราจระเสริมนิดนึงมันดืดผุ่นๆเลยผมเป็นอย่างนั้นแหละสาหรับผมเองคุ้ว่าปฏิบัติธรนลลำบากอยู่มากการเราน่สายยากเนี่ยไม่แต่เลยมันก็ออกปฏิบัติไม่แต่ แต่ทีไรก็รู้ทุกสิ่งันไม่เคยพ่าดเลยเพราะมันดุลแรงของมันอย้วไม่จะเรียนหงสือก็ยังไม่เอารู้จะของอยู่โน้นนะเรี่อย่างหนึ่งเรียนหนงสูงก็เป็นธรรมนี้ะจีเพราะมันมุ่งจะออกปฏิบัติเรียนเพื่อรู้แล้วจะออกปฏิบัติอีกมันก็เป็นธรรมนี้อะไรระเพื่อนท่าในขันสบายทางไม่ดีมันก็รู้มันก็ดัดมันระงับกันทันทีอย่างนี้ผมไม่เอานะเรียนนงสือผมไม่เอ ได้ของถวายมังถวายกุวากังมันไปเที่เงาเลยเรื่องชื่อยังไม่เอาพอลูว่ามันเสริมง่ายที่สุดมันเป็นอาหารที่ละเอียดคืนค้าส่วนร่างกายได้ส่งเสริมราค่าส้นหาได้เร็วมันให้เห็นดูแล้วมันมันมันเร็วด้วยต่อที่จะทางกำเริบทางราคาต้หากำเริบมันมันรวดเร็วด้วย หมายถึงว่าเป็นพันธุ์ี้ใจสันไปต่างๆเวลาัำบัดัมพันต่างๆของจมูก <c oughs> มันก็เร็วต้องไปบังคับกันไว้บังคับกันไ ว, ไว้ดัดกันไว้อินก็ไม่อินนะทําไงไงยานั้นถ้ามันอิ่มากไม่ได้มันดัดเรามันทำลายเราทรามานเรา กรปฏิบัตไม่สังเกตจะอนาดนั้นไม่ได้อาหารพกผัดพวกมันเหเิมดง่ายวกแกงแพไปอย่างอื่นไปอาหารอั่นงอื่นปิดกันสหรับทากลมแต่ก่อนกินนั้นกินดีไม่ได้อมันกรรมมันอะไรนะไิบากกรรมมันอมันพูดยาก อยู่อยู่ครัไม่จะพูดไม่พูดย่ายหนังการต่อสู้ีิเลสว้าวพายนดีมพรว่ากองทัพกิเลสมาแล้วมันต้องล่ออะไรมันจะมาเรื่องอนาจดูหัวใจกูอยู่เหลือพูดยังไงกูเขียนมันปย่แล้วการร่างสขนยังนี่กูทิ้งบาดตูมเลยก็โดดสักันโดดถึงเลยมัพังเลยขึ้นมาแขัน เคดขนาดนั้นพูดถึงเรื่องเอ็มันจมันจองว่ห้เป็นนิจฉลหน่อยเพว่าความคิดความอา่านความอยู่ความเห็นอะไรนี่อันนี้เป็นเจ้าตัวการทั้งหมดเจ้าีดที่ขวางไว้หมดนี่นพังไปแล้วมีอะไรกีดมีอะไรขวางนั่นมันเห็นได้ชัดผมพูดถึงว่าอาากาศท้องกีดอาากาศทองท ม, มันมีอะไรดึงดูที่เรียนะดูด อนไรติดมดลักก็ติดทั้งก็ติดดูดเชีย ง, งยกลือกต้องปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์ติดมดมันดูดเอาหมดบูแล้วหมดวัตถิเลศนี้เป็นแม่เล็ ว, วาดมันพังทลายไปแล้วม่มีอะไรดีคือรู้อิสระเสียคิดก็คิดอิสระเตาเห็นก็เห็นอิสระได้ยนินกอิสระอะไรอิสระเป็นตามๆกันหมด จนกระทั้งเข้าไปความคิดภายในมันก็อิสลามหมดการพูดการจาอะไรเหมือนกนันอิสลามถ้ามันนึ่พูดเลยถึงใจเต็เหตุเต็มผลมันไม่ได้คิดว่ากลัวเขาจะผิดแต่อย่างนั้นกลัวเกรงใจคนอย่างนั้นเกรงใจคนอย่างนี้นเกรงห้ยอย่าับผมไม่ได้เกรงไปทำไม น, น, นั่นเหตุผลเข้าไปจับเลยเหตุผลอยู่ตรงไหนมันกับทุ่งไปตามเหตุผลนนหนักเบาไม่มาก เมื่อถึงเวลาที่จะไม่ว่ามันเป็นน้อ ม, มันพูดได้ทุกอย่างเมื่อเหตุผลพร้อมที่จะพูดความประมาทพันพึงหวั่นไหวหรีอเต็มอกเต็มใจมันไม่ได้เข้ามายุ่งมันกรให้ดิ้นไม่ได้สิ่งนี้คืออะไรอีกเนี่ยมีความละเอียดของเรื่องมันแทรกอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในธรรมนั่นแหละ ควเกรงกเกรงใจก็เป็นธรรมหนึ่งแต่ก็ไม่พ้นที่จะเดชจะเข้าไปแทรกนั้นอีกได้เงิใ น, ในใจหายอยู่สุวไม่ได้นี่ท่นอย่าที่วิเศษอ่านะนะนะขอแล้วนี่สงสัขอแล้วอีก